ขอความสุขความเจริญจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทําจากมาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนําเสนอข้อความเบื้องต้นในมหาสติปัฏฐานในสติปัฏฐานสูตรพูดถึงทุกขก์โทมนัตโทมนัตนั้นหมายถึงความทุกข์ใจความไม่สบายใจเลือกทุกข์ ถ้ามาคู่กันอย่างนี้ทุกก็หมายถึงทุกกายตัมนัษย์ก็หมายถึงทุกใจทีนี้ท่านยกตัวอย่างความตัมนัษที่เกิดขึ้นแก่สุพรหมเทพบุตรความว่าสุพรหมสุพรหมเทพบุตรมีเทพอับศรพันหนึ่งเป็นบริวารสวยสวรรค์สมบัติบรรดาเทพอัศรสาวพันหนึ่งนั้น เต้สอน500ตน้นกำลังเก็บดอกไม้จากต้นอยู่ก็จุติแล้วเกิดในนรกเทเบบุตรนั้นทรงใข้ควรวญดูว่าสอนเหล่านี้เหตุใดจึงช้าอยู่เห็นว่าพวกนางเกิดในนรกแล้วตวรวจดูว่าอายุของเราจะเท่าไหรกันหนอพอทราบอายุของตนก็จกสิ้นไปเหมือนกัน ก็เห็นว่าตนก็จะเกิดในนรกนั่นแหละจิงหวัดครัวเกิดโทมนัสหรือเกิดดํารีว่าประสาสดาจะาขจัดโทมนัสเหลือไปเฝ้าขาจัดโทมนัสของเรานี้ได้ผู้อื่นขจัดไม่ได้แล้วได้พาเทพอับสัสาวสวรรค์ห้าร้อยังเหลืออยู่ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ กราบสูนถามปัญหาในประเด็นตรงนี้เราจะเห็นถึงผลดีในการเจริญมนนนุสติแต่พระเทพบุตรเทิดาส่วนมากจะเพลิดเพลินอยู่ในทิพยสุขแล้วก็มักเป็นผู้ประมาทเพราะไม่มีความทุกข์บีบคั้นอะไรมาเบียดเบียนให้ตัวเองรู้สึกประเดือดร้อนก็เลยเพลินเพลินไป ตายไปเกิดในนรกอยากเทพบุตรที่ตายไปเกิดเป็นนรกก็แสดงว่าบุญกุศลที่นําท่านเกิดมาได้ลหล่อเลี้ยงรักษาท่านมานั้นก็หมดก็เป็นวาระของบาปอกุศลที่จะให้ผลในโอกาสต่อไปอันนี้ก็สอดคล้องกันหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในมหากรรมยพังกฤษสูตร ที่กล่าวโดยสรุปก็คือว่าคนบางคนเนี่ยทกรรมชั่วด้วยอกุศลกรรมบท10ประการตายไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็มีหรือว่าทาบาปอกุศลสิประการนั่นแหละตายไปเกิดในนรกก็มีมันดูว่าควรหรือไม่ควรว่าคนทําความดีแล้วตายไปเกิดในนรกทําความชั่วแล้วตายไปเกิดในสวรรค์ รือถ้าเรามองอะไรแคบๆ แ, แล้วก็นึกว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วพลังของกรรมที่ให้ผลแก่บุคคลเนี่ยมันมีน้ำหนักหนักเบาหนักกลางๆหนักน้อยลงหน่อยจนจนถึงกับไม่หนักหรอกแต่ว่าจังหวะเขาให้ผลได้ก่อนก็ก็ให้ผลเพราะสุปรมเทพประบุ พอเริ่มไม่ประมาทเริ่มสวดสอบชีวิตของตัวเองที่จริงเทวดาระลึกชาติได้นะคือถ้าท่านไม่ประมาทท่านก็รู้ว่าเวลาที่ตัวเองจะจุตินี่อยู่ตรงไหนก็อย่างบรรก่อนที่ได้เล่าเรื่องเข้าสากัเทวราชสิ้นอายุแบบนี้แต่ก็ระลึกได้จึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เจ้ากเทศนาสั่งสอนให้จนบรรลุมรคลเป็นพระโสดาบันก็ตายตรงนั้นแหละยุติตรงนั้นแล้วก็อุบัตรตรงนั้นเป็นท้าวสกะเหมือนเดิมยืดอายุไปมากมายเลยเกิดท่านถามว่าจิตนี้สะดุ้งอยู่เหนียงนิดคือจิตใจนี้วาดผวาเป็นประจําเมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้วและยังไม่เกิดขึ้น ้าความไม่สะดุ้งกลัวมีอยู่ขอพระองค์ผู้อันค่าพระพุทธเจ้าทูลถามแล้วจงสัตว์บอกความไม่สะดุง้งแก่ข่าพระองค์ด้วยเถิดคือก็เรียกว่ามรณภัยคนรอทีหวัดกลัวต่อความตายซึ่งจะเกิดขึ้นมันก็มีความหวัดสะดุง้ง ความตายเหล่านั้นแต่ความตายที่จริงเราจะสะดุ้งหรือไม่สะดุ้งเนี่ยมันก็ต้องเกิดแหละและเวลาเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้เวลาสถานที่เหตุให้เกิดสถานที่เกิดอะไร ต, ต่างๆเราไม่รู้ทั้งนั้นเลยดังนั้นสุพรหมเทพประบุเมื่อ รู้ว่าตัวเองก็จะต้องจุติแล้วก็ไปเกิดในนรกเช่นเดียวกับเทพอักษรอีก500ร้อยนหาทางออกไม่ได้ก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าหากว่าทางออกนี่มันมีอยู่พุทธเจ้าก็รับสั่งว่าเรามองไม่เห็นความสวัสดีอย่างอื่นของสัตว์ทั้งหลาย นอกจากทํามันเป็นองค์แห่งการสัสยรูและการมาเป็นเพียนนอกจากการสํารวมระวังอินทรีย์และนอกจากปล่อยวางทั้งหมดคือการเกิดเนี่ยมันการการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ขึ้นอยู่กับกระแสของกิเลสแล้วก็ปริมาณของกรรม ดีก็าตามชัวว่วก็ตามที่บุคคลทําไว้นะถ้ากิเลสมันลดปริมาณของกรรมก็ประณีตกรรมที่เป็นกุศลมากถ้าปริมาณของกิเลสเพิ่มขึ้นกรรมที่เป็นอกุศลก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้การจะทำให้เกิดความสวัสดีได้เนี่ย ตามที่เทวดาถามทํานองว่าเกิดมาแล้วไม่ต้องจุติเกิดมาแล้วไม่ต้องตายเนี่ยความตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนสมรบทุชีวิตไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงไปได้แต่ว่าถ้าจะทำให้ได้มันก็ทำได้บาลีใช้คำวานานยัตระบทชาตัปภาสา คือหมายความว่ า, วานอกจากปัญญาเครื่องสัจรุถ้าคนนั้นปฏิบัติพัฒนาตนไปจนบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์หรือศัสรุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าหรือศัสรุธรรมเป็นพระปฏิกรพุทธเจ้าเนี่ยนี่ก็รอดพ้นจากความเวีย่ายตายเกิดได้นะเพราะปะัญญากริเลสไปดักกิเลสดักกิเลส ก, ก, ก็ดับทุกข์ได้ และอีกประการหนึ่งเนี่ยการบาเพ็ญเพียรการบาเพ็ญเพียรยยทางกายทางวาจาทางใจนี่แหละศีล ส, สมาธิ ป, ปัญญานี่แหละแล้วก็ในการใช้ชีวิตประจำวันนอกจากการสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ก็คือควบคุมประสาททั้งหลายของเราเวลาสัมผัสาอารมณ์โลก หมายใจเกิดยินดียินดายซึ่งเป็นการเพิ่มกิเลสโดยการทั้งสองฝ่ายเพิ่มกิเลสกับกิเลสบ้างเพิ่มกิเลสกระทุกบ้างแต่สรุปว่าถ้าไม่ทํารวมระวังอินทรีย์ก็ไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะต่อมรณะใครได้ประการต่อไปก็คือปล่อยวางทั้งหมดม่ยึดมั่นถือมั่นเดิมหน้าของตัณหาเดิมหน้าของมานะเดิมหน้าของทิฏฐิมยึดมั่นถือมั่ น, นอะไร โยปรธรรมอเทศนาสุพรมเทพบุตรดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลพร้อมร้วยเทพอัศรหร้อยทำที่ะยาสมบัตินั้นให้มีเสถียรภาพแล้วได้กลับไปยังสิบโลกตามเคยนี่เราลองสังเกตมันเฉียดเฉียดชิวกันนิดเดียวนันเองเ ท, ทิดาอีกห0 0รก่อนหน้านั้นเธออยู่ในทํากลางความประมาท แต่คนประมาทเนี่กลับเนื้อกับตัวได้เปรียบเป็นคนไม่ประมาทได้ไม่ได้แปลกอะไรตอนปอสุพรมเทพประบุถึเห็นตัวเองก็เห็นนางทอักษรนี้ค่ะรอยก็จะลงนรกเหมือนกันก็มาฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าบรรลุโสดาปติผลนะระโสดาปติผลนั้นคงเวียนไว้ตายเกิดอยู่แต่ไม่เกิดเจดชาติ อาจจะหนึ่งชาติสองชาติสามชาติแต่ไม่เกินเจ็ดชาตินี่ก็แสดงว่าสมบัติมันมั่นคงขึ้นหมายความมาอยู่สวบสุขสมบัติในเทวโลกนี่นานขึ้นแต่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังไม่ได้จบสิ้นทีเดียวทางนี้บุคคลผู้เจริญพึงเข้าใจว่า เป็นไปเพื่อดับโทมนัตโทมนัตคือความรู้สึกไม่สบายใจที่บังเกิดขึ้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเหมือนของเท้าส ก, กะเป็นต้นดังที่พา น, นามานีอริยมรรคแปดนั้นท่านเรียกว่ายายะเพื่อบรรลุยาเยธรรมคือเพื่อบรรลุอธิบายว่าเมื่อถึงอริยทรัพย์นั้นอริยมรรคนั้นเพราว่า มรสติปฐานอันเป็นโลกยะในส่วนเบื้องตน้นนี้อันบุคคลเจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อบรรลุโลกุธตธรรมเดตนนั้นพระผู้มีพระพรรภาค จ, จึงตรัสว่าเพื่อบรรลุญายธรรมก็คล้ายๆกับที่เราสวดสรรเสริญสังฆคุณนะฮะญาญาปฏิปัโนภะกัปโตสาวกสังโฆ แปลว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อ น, นิพพานต่อไปก็บรรลุมรรคผลเป็นพระหรนะันข้อสมยีจีปฏิปันโนนี่บรรลุเป็นพระาราหันทีนี้การอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคเนี่ยมันมันมันถึงจุดหนึ่งอริยมรรค8ปปประการเนี่ย พอถึงทุหนึ่งท่านท่านปฏิบัติไประดับศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณท่านก็เป็นวิสโสดาบัณฑ์แล้สร้างโสดาปฏิมรักขึ้นมาอริมรักมีงปมันสร้างโสดาปฏิมรัคขึ้นมาสร้างปรับเขาก็กลายเป็นผลเลยเป็นโสดาปฏิผลและจากนั้นศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูมรณ์ก็สร้างไปถึงอนาคามีมรัก แล้วจนสมบูรณ์หมดทั้งสามประการคือศีลสมาธิปัญญาก็ทำให้บุคคลผู้นั้นได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอาหารหันต์อันนี้ก็ยุติการเบียดบี้ตายเกิดแล้วคำว่าเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งปะนิพานนบา น, นันสสัจจิกริยายานะความว่าเพื่อเพื่อกระทําให้แจ้ง ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าเพื่อประจักษ์ด้วยตนเองซึ่งอมาตะธรรมที่ได้นามว่าพระนิพพานประเวณจากปัญหาเครื่องร้อยรัตเพราว่ามัทนี้ที่บุคคลอบรมแล้วให้เสมกการทําให้แจ้งพระนิพพานตามลําดับโดยฐานพระผู้เนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสัตว์ว่าเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งนิพพาน นี้บรรดาคำเหล่านั้นเพื่อประสงค์สัตว์ว่าเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายก็มาก้าวล่วงความสุขก็คือกระทบกับอารมณ์อะไรก็ไม่สุขอย่างพระปตาจาราเถรีที่เล่าให้ฟังเนี่ยในการต่อมาก็มีคนมาปรึกษากับท่านเมื่อประสบการณ์พระพระสูญเสียเนี่ย ท่านก็มีวิธีพูดด้วยหลากหลายวิธีหลากหลายรูปแบบเช่นพูดว่าลูกเหล่านั้นเข้ามาเกิดด้วยกรรมของเขาก็าอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของเขาค่อยกระจากโลกนี้ไปด้วยกรรมของเขาตอนเข้ามาเกิดก็ไม่ได้ขออนุญาตมาเกิดตอนก็ตายไปก็ไม่ได้ลาอะไรเพราะนั้นมันก็เกี่ยวข้องกันในแง่สังสารวัตรท่นั้นเ โลกก็ไปไ ป, ไปตามกรรมของเขาท่านไม่ได้ดีใจหรือไม่เสียใจอะไรบ า, างทั้งที่แต่ก่อนก่อนจะบรรลุท่านก็ร้องโ่มร้องไห้จนคลุ้มคลั่งกลายเป็นคนวิปลาดิไปเลยนี่คือจุดต่างก็คือสติมันขาดกับสติมันมีสมบูรณ์สติมีความสมบูรณ์พร้อมก็ทำให้พระประตาจาราเทรีก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างตรงกันข้าม ทีนี้คำว่านิปานาาสสะสติกิริยายาเพื่อความเป็นสุดหมดโจทย์แห่งสัตว์ทั้งหลายเข้าร่วมความโศกเป็นต้นเป็นอนสาเร็จตามความหมายไปด้วยก็จริงแต่ยังไม่ปรากฏแก่ผู้อื่นนอกจากผู้ฉลาดในข้อยุติของคำสั่งสอนแต่พระพุมธภพเจ้าไม่ได้ทรงทาให้คนเป็นผู้ฉลาดในข้อยุติคำสั่งสอนก่อนแล้ว จึงทรงแสดงทมภายหลังแต่ทรงให้เข้าใจผิดแต่ทรงให้เข้าใจผลนะที่ต้องการนั้นๆด้วยสูตรนั้นๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานสูตรนี้เมื่อพระองค์จะท่งแสดงผลที่ต้องการซึ่งเอากายนามค ก, ก็คือนิพพาน น, นนะ่รนะก็ให้สมเจประโยชน์จึงได้สัตว่าเพื่อก้าวล่วงโศกกะปริเทวาทั้งหลาย หมายความว่าความสูงความร่ำไรราพันความสูกความเสียใจความความแค้นใจนี่มันมันมันมันเกิดอะแต่ว่าจิตใจไม่ให้ความสำคัญก็เข้าถึงกติธรรมดาสิ่งทั้งหลายที่ต้องแตกดับเป็นธรรมดาได้แตกดับไปแล้วพูดไปก็เท่านั้นแหละแก้ไขปัญหาไม่ได้และอีกหนึ่งความไม่สุดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ย จะเป็นไปพร้อมด้วยเอกอายนามัตตคือหมายความมาความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอริยมัตตเนี่ยอริยมักต8แปประการเนี่ยต้องผนึกเป็นเนื้อเดียวกันเลยเ็าเรียกว่ามักคสามังกีไม่มีส่วนใดกระพร่องกระแพงถตาอย่างนั้นแล้วมันก็บรรลุอรหันต์เป็นพระอรหรันต์ ผลความสมบูรณ์ของอริยมตรตเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนแต่มันเกิดเป็นขณะเดียวกันหนึ่งนะแบบแล้วก็กลายเป็นมตรตคืออรหัตมตมรตเลยแล้วก็เป็นอรหัตผลต่อไปเลยตอนการจะเข้าถึงยาจธรรมจริงๆมันมีเงื่อนไขว่าต้องกระทำอริยมตรตเปี่ยมแปประการให้สมบูรณ์ถ้าอริยมตรตเปี่ยมแปประการยังไม่สมบูรณ์ ก็ไม่เข้าสูงเงื่อนไขนั้นก็ต้องพยายามกันต่อไปการบรรลุญาณธรรมจะมีได้เพราะการทำให้แจ้งซึ่งปริพาน์ฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงสแสดงลำดับนี้แล้วจึงจัดว่าเพื่อความไม่สุดของสัตว์ทั้งหลายแล้วได้ตรัสําเมีอธิอนี้ไว้ว่าเพื่อระ ง, งับโสกปริเทวะคำว่าสัตตานังวิสุทิยา เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายการกล่าวเป็นคำที่กล่าวสรรเสริญเอกอายนานมักเ อ, อริมักมิลงแปดนะว่ามันจะเป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติ ด, ดำเนินชีวิตไปตามหลักอริมักมิลง8ปประการเราผู้มีพระภาคเจ้าจาัดสรรเสริญ ทัศนาเพศนาไว้ด้วยบท8บทว่าพิสุดทั้งหลายเราตถาคตจะแสดงทำมันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดกรรมงามในเบื้องต้นท่ากลางที่สุดเนี่ยศีนี่งามในเบื้องต้นสมาธิในงามในท่ามกลางแล้วก็ปัญญาก็งามในที่สุด ก็สรุปว่ามันก็เป็นผลของความสมบูรณ์แห่งอริยมรรคเปี่งแปดประการนั่นเองแต่พอแยกประเภทมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นเป็นศีลสมาธิปัญญาประกาศศาสนาพรหมจันทร์ประกาศพรหมจันทร์พรหมจันทร์ในที่นี้หมายรูปนะหมายถึงศาสนาธรรมทั้งหมดการศึกษาการวิบัติการสัมผัสผลของศาสนาธรรมรวมเรียกว่าพรหมจันทร์ แต่บางทีก็ย่อยอ่ะย่อยเอาไปเป็นสิบข้อเป็นแบบการไต่ระดับขึ้นไปจากง่ายไปหายากขึ้นไปเรื่อยๆจากต่ำไปหาสูงจากหยาบไปหาละเอียดก็ขึ้นไปโดยลำดับทีนี้บริบูรณสิ้นเชิงพร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะอัถะพยัญชนะ น, นั้นอัถะจริงๆก็คือเนื้อหา เนื้อหาของสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอะไรนะเชน่นว่าเกลือเนี่เนื้อหามันก็เค็มเพราะาในรูปแบบรูปลักษ์ต่างๆของเกลือนี่ก็ช่างมันแหละมันเป็นอะไรก็เป็นไปแต่ว่าต้องเค็มถ้าไม่เค็มก็ไม่ใช่เกลือเออน้ำตาลหวานรูปลักษ์เป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ต้องหวานทีนี้พยัญชนะเนี่ยคือสั์หรือตัวอักษรที่ใช้เรียก มันเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะหมายถึงสิ่งอย่างเดียวกันแต่ว่าใช้ศัพท์ไม่เหมือนกันเนี่ยเยอะมากแม้แต่คาว่าคำตายอย่างเดียวในภาษาไทยเราเนี่ยตายอย่างเดียวนะโอ้ยเยอะเลยบางทีต้องถามกันว่าท่านผู้นี้ตายเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างไงเรียกว่าอนิจจกรรมเรียกว่าอาศัญยกรรมเรียกว่า ชีพิตักใสถึงชีพิตักใสบางทีบอสิ้นชีพิตักใสอะไรก็ว่าไปก็ก็เยอะนะฮะพี่พูดผิดบ้างถูกบ้างก็ว่ากันไปนั่นคือพยัญชนะที่มันต่างกันแต่ว่าเนื้อหาก็คือคนนั้นตายแล้วแล้วก็ท่านบอกว่าคือทำหกหมวดหมวดละหกข้อ เกเธอทั้งหลายลได้สรรเสริญอริยวงเทศนาไว้ด้วยบท9บทว่าภิกษุทั้งหลายอริยวงสี่อย่างนี้รู้กันว่าเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นวงของพระเรียเจ้าเป็นของเก่าไม่เกลื่อนกราดไม่เคยเกลื่อนกราดไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ จากไม่ถูกทอดทิ้งไม่ถูกสมณาาพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านชั้นใดพระองค์ก็ได้จัดสันเสริญอริยมรรคเอกายนามรรคแม้ที่ไว้ด้วยบทเจดบทมีคำว่าเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเจ็ดบทหบทที่ว่าเนี่ยก็คือที่ว่าไว้ในตอน ต, อนตอนน้นๆนะครับหมายความว่า ขยายผลดีงามที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติให้กว้างขวางออกไปแล้วคนก็จะเกิดชั้นเท่าอุสาหะที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อสัมผัสผลโน่นนั้นหากจะถามว่าเพราะอะไรด้วยว่าภิกษุเหล่านั้นครั้นได้สดับารสัตสังเสริญแล้วจกเกิดอุสาหะขึ้นว่า ทางสายนี้จะนําอุปัตตวะสี่ออกไปคือความโศกชี่เป็นสิ่งแผดเผาใจความ ค, ครําครวญที่เป็นการปรําพันทางใจความทุกข์ที่เป็นความไม่สบายกับทางกายความเสียใจที่เป็นไปกับความไม่แช่มชื่นทางใจรวมแล้วก็สอย่างนะครับเป็นประเภททุกข์จอนไม่ใช่ทุกข์จริง ทีนี้แล้วก็นําคุณพิเศษสามอย่างคือวิสุทธิความหมดจดวิสุทธิความหมดจดก็คือวิสุทธิคุณนะฮนะยารยาธรรมที่ควรรู้อันนี้ก็คืออริยมรรคอริยผลแล้วก็นำคุณพิเศษสามอย่าง ไม่ใช่มิผ่านความดับดับก็คือดับตัวกิเลสเมื่อดับกิเลสใจก็บริสุทธิ์จากกิเลสเพราะว่าปัญญาเกิดขึ้นทำลายอวิชชาให้ดับไปจากสำคัญธรรมเทศนานี้ว่าต้องเรียนต้องท่องต้องทรงจำต้องบอกสอนและจากสำคัญทางสายนี้ว่าเจริญดำเนิน พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดสรรเสริญเอกายนามัตคเพื่อพิสูจเหล่านั้นเกิดอุตสาหะด้วยประการทั้งที่พนามานี้เหมือนพ่อค้าผ้าขนสัตว์เป็นต้นกล่าวสรรเสริญคุณภาพของผ้าขนสัตว์เป็นต้นฉะนั้นให้ลองสังเกตุอะไรก็ตามที่ดีๆแล้วก็มีการโฆษณาแล้วมันเป็นไปยอย่างที่โฆษณา ในสุดมันก็โฆษณาตัวมันเองได้คนพูดปากต่อปากไปขยายออกไปอย่างเครื่องใช้ต่างๆในในบ้านเมืองเราเนี่ยยังเป็นของนอกบ้างของในบ้างแต่สรุปว่าตอนแรกก็โฆษณากันเยอะเวลานี้มันลงตัวแล้วมาความตลาดเองก็อิ่มตัวคนที่ใกล้ชิดกับคนที่เคยใช้แล้วเขาก็บอกแก่คนตอนนั้นให้ใช้ต่อ เรลงว่าผู้บริโภคเนี่ยเป็นคนที่นำไปยกย่องสรรเสริญก็ท า, าให้ตัวเองไม่ต้องลงทุนไปนะในเรื่องเหล่านั้นทีนี้ความพิสดารว่าพอค้าผ้าขนสัตว์สีเหลืองหรือผันทุกํากพลเนี่ยราคาแสนโฆษณาว่าเชิญรับผ้าขนสุ น, นักครับ คนทั้งหลายยังไม่ทราบก่อนว่าเป็นผ้ากำพลชนิดโนนเพราะว่าแม้ผ้ากำพลและก็ผ้าผานกับกำพลเป็นต้นเนี่ยมีที่มีกลิ่นมีเนื้อหยาบห่มสากเขาเรียกว่าผ้ากำพลเหมือนกันแต่เมื่อ เมื่อใดเขาโฆษณาว่าผ้ากำพลแดงจากแคว้นคันธารราษฎร์เนื้อละเอียดมันเป็นเงาห่มนุ่มนวลเมื่อนานคนที่มีทรัพย์พอก็จะรับซื้อส่วนคนที่มีไม่พอก็ต้องการอยากอยากออยากจะชมจันใดแม้เมื่อพระองค์ตรัว่าทางสายนี้เป็นทางสายเอกยังไม่ได้ ได้ชัดแจ้งว่าเป็นทางสายโน้นฉะนั้นเหมือนกันเพราะว่าทางที่ไม่น่าออกจากทุกนานับประการเนี่ยเขาก็เรียกว่าทางเหมือนกันแต่เมื่อสัตคํามีอาทิว่าสัตตานังวิสุทติยาเพื่อความมีสุดหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็จะเกิดอุตสาหะว่าได้ทราบว่าทางสายนี้นําอุปัตตะวะสีประการดังกล่าวออกไปได้ ท่านเห็นความจำเป็นว่าต้องเรียนต้องท่องต้องจำต้องบอกสอนเพื่อให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อ ก, กันคือนี้ธรรมดาอย่างหนึ่งของคนดีที่จิตใจมันได้รับการขัดเกลา่อจะมีน้ำใจเสียสละเพื่ออาทรเอนดูต่อบุคคลทั้งหลาย ตนในรับสัมผัสผลดีงามในเรื่องอะไรใ ด, ดก็จะไปแจกจา่ายไปบอกกล่าวเพื่อนเพื่อให้ได้สัมผัสรสชาติแต่งสิ่ง น, นั้นพะท่านที่มองเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วพระย่าก็เป็นเป็นต้นแบบให้ต่อมาท่านก็จะเดินตามรอยเสด็จรอยอยู่บนบาทของพระพุทธเจา้าแล้วก็นในขณะเดียวกันก็จะสอนคนอื่น นีการจะสอนได้นี่ตัวเองก็ต้องท่องต้องท่องได้ต้องจำได้แล้วก็ต้องสอนได้ปฏิบัติได้นะต้องสอนได้ตกลงว่าต้องเรียนต้องท่องต้องจำแล้วต้องบอกสอนทีนี้ในข้อที่ควรจะกล่าวก็คือเรื่องพ่อค้าทองชมพูนสดพ่อค้าแก้วมันีน้ำใสสะอาด พ่อค้าแก้วมุกดาน้ำใสสะอาดและพ่อค้าแก้วประพานที่เยนไนก็เหมือนกันเกี่บหมายความเอาสินค้าที่คนเขาสนใจรู้จักกันทั่วไปเนี่ยมันเทียบเคียงคือหมายความสินค้าวางอยู่ชิ้นเดียวตันเองแต่พอเราบรรยายสปปรรพคุณต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับบรรเทายาบรรยายเครื่องใช้บรรยายอะไรก็ตามที่แข็งแรงทนทานใช้ได้นาน ยิ่งอายุยืนยืนแล้วก็ยิ่งชอบกันอย่างพวอัญมณีทั้งหลายเนี่ยลองสังเกตว่าพระกัมพลก็แบบนั้นแหละคือมันนานนะชาดได้นานขาดบางกองก็ขาดแหละเพราะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแต่ว่ามันอยู่ได้นานกว่าปกติวันสมัยโบราณเนี่ยก็จะพูดเรื่องพระกัมพลกันมากกัมพลทําด้วยขนสัตว์ทําด้วยขนนกข้าวทําด้วยสารพัดเรียกภะกัมพลนั้นจนถึงก็ทำด้วยผมคน ก็เรียกว่าภาคกำหนดทีนี้ข้อทั้งสี่ประการเนี่ยเป็นการนับจำนวนด้วยศัพท์นั้นโปรงแสดงถึงการกำหนดจำนวนสติปัฏฐานว่ามีไม่ต่ำไม่สูงไปกว่าจำนวนนั้นตัวอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าโดยกลุ่มธรรมโดยกลุ่มธรรมก็มี21ข้อดข้อยกัน แต่ทีนี้เราแยกเราแยกเป็นเป็นหน่วยอมาเนี่ oh, Mark. Mark. ยโอมากมากเยอะเกือบร้อยแต่ว่าทั้งหมดเดียมาสอนหมดแล้วคือระบรัด ร, รวมอยู่ในคำว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาปยากตาธรรมนาต้นนั่นเองทีนี้คำว่าสติปัฏฐานได้แก่สติปัฏฐานสามอย่างคืออารมณ์ที่ ตั้งสติอารมณ์แห่งสติการที่พระศ า, าสดาไม่ส่งดีพระไทยและเสียพระไทยในเมื่อสาวกทั้งหลายปฏิบัติสติปัฏฐานสามอย่างอย่างหนึ่งคือสติหนึ่งอารมณ์แห่งสติท่านเรียกว่าสติปัฏฐานในพระพุทธพจน์ได้รับสั่งแสดงว่า พิสษุทั้งหลายเราตาฐาคตรจะแสดงการเกิดและการดับของสติปัฏฐาน4ี่อย่างแก่เธอทั้งหลายจงฟังเทศนานั้นเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายก็เกิดความก็มีความเกิดขึ้นแห่งกายคืออะไรการที่เกิดขึ้นแห่งอาหารคือการเกิดขึ้นแห่งกายอันนี้ก็ เริ่มต้นๆนี่เราจะเห็นว่าประเด็นจะท่านสั้นพออธิบายเข้าไปเป็นเรื่องยาวทั้งหมดเลยแต่ ว, ว่าคำคำเดียวท่านนะยังคํา ำ, ำเดียวอีกอย่างหนึ่งอารมณ์ของสติท่านเรียกว่าสติปัฏฐานใชในคําทั้งหลายมีที่ว่ากายปรากฏไม่ใช่ตัวสติสติปรากฏด้วยและเป็นตัวสติด้วยชื่อว่าสติปัฏฐานหนึ่งนี้ สติปัานนั้นมีอาจที่ชื่อว่าปัฏฐานเพราะเป็นที่ตั้งถามว่าอะไรตั้งตอบว่าสติตั้งที่ตั้งของสติชื่อว่าสติปัฏฐานอีกอย่างหนึ่งสถานที่เป็นที่จอดเป็นประธานฉะนั้นจึงชื่อว่าปัฏฐานทางช้างและสถานที่ยืนของม้าเป็นต้นก็เหมือนกันนี่เราจะเห็นว่าพยัญชนะนี่มันเดยว ใช้คำได้เยอะแต่ว่าอันถามันก็คือกันนั่นแหละพระศาสดาไม่ส่งเสียพระไทยและดีพระไทยในเพราะสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติในสติปัฏฐานสามอย่างท่านเรียกว่าสติปัฏฐานเช่นในพุทธพจนี้ว่าพึงทราบสติปัฏฐานสามที่ระยะซึ่งเมื่อเสพที่ว่าเป็นศาสดา ควรตามสอนหมู่คณะดังนี้ข้อนั้นมีเนื้อความว่าปัตถานะเพราะควรให้ตั้งไว้อธิบายว่าเพราะควรให้เป็นไปแล้วก็หรือว่าประพฤตินะฮะควรควรนำมาประพฤติปฏิบัติไปตามหลักเหล่านั้นทีนี้ถามว่าเพราะควรให้ตั้งอะไรควรให้ตั้ง ควรให้สติตั้งการตั้งสติชื่อว่าสติปัฏฐานอย่นี้ก็ยกตัวอย่างว่าเราดูลมหายใจเข้าออกเราก็ตั้งสติดูที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ออกยาวหรือสั้นก็ดูไปตามนั้นน่ดูตามที่ลมมันปรากฏต่อมาก็ไปดูที่กลางลมกลางลมอ่ไม่ใช่ต้นลมกลางลมปลายลม ก็สติก็ไปตั้งเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดจุดไปแต่มาทีก็ดูเฉพาะลมกระทบในช่องจมูกแต่สติก็ตั้งจดจอยู่อย่างนั้นก็แล้วแต่ใครจะเลือกวิธีอะไรนะวิธีวิธีต่างๆนี่มันมีความหลากหลายแล้วก็บอกว่าสปติปัฏฐานสี่ที่อบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมให้เจริญโพชฌงค์เจ็ดประการ โพชฌงเจตประการที่จริงก็สติประฐานก็อยู่ในนั้นนะคือสติสัมโพชฌงสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงแล้วก็ปีติสัมโพชฌงปสัสสธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบกขาสัมโพชฌงดูคล้ายๆจะต่างแต่ว่าที่จริงเป็นเรื่องเดีวยวกันสติสัมโพชฌงก็คือสมาสติ วิทยาสัมโพชฌงก็ไม่ใช่ธรรมะวิทยาสัมโพชฌงก็คือสมาธิสัมมาสังกัปปะวิทยะสัมโพชฌงก็คือสมาวยามะปีติปัสสติสมาธิอุเบขาสี่อย่างเนี่ยเป็นสมาสมาธิรวมแล้วเป็นอะไรละ่ะรวมแล้วก็เป็นสมาอสีสมาธิกับปัญญาแล้วถามว่าศีลอยู่ที่ไหนละ่ะ ศีลก็อยู่เมื่อท่านสำรวมใจจดจ่ออยู่กับอารมณ์หลดนั้นเพราะตอนนั้นใครไม่มีใครข้าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในการพูดเท็จพูดส่อเสียดอะไรไม่มีเลยทั้งคนก็จะนั่งทําความสงบอยู่อย่างนั้นทีนี้ในการอธิบายเนี่ยทุงอธิบายต่อไปว่า ในข้อนั้นมีเนื้อความว่าชื่อว่าปัฏฐานเพราะตั้งไว้อธิบายว่าเข้าไปตั้งไว้คือย่อมก้าวลง lowering, แล่นไปเป็นไปปัฏฐานคือสตินั่นเองเรียกว่าสติปัฏฐานอีกประการหนึ่งชื่อว่าสติเพราะอัตถวารลึกชื่อว่าปัฏฐานนาเพราะอัตถว่าเข้าไปตั้งไว้สตินั้นด้วยการตั้งไว้ด้วยฉะนั้นจึงชื่อว่าสติปัฏฐานด้วยประการหนึ่งนี้ ในสติปฐานนี้ท่านประสงค์สติปฐานคนนี้ถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเหตุฉไหนคำว่าสติปฐานจึงเป็นพุทธพจน์เพราะมีสติมากหมายความว่าก็ยังที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าคือธรรมะที่เราดูคล้ายๆจะมันเป็นปริยัตปฏิบัติปฏิเพทสมบับเราน่าใช่นะสมบับเรานะใช่ เป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือศึกษาปฏิบัติและสัมผัสผลแต่สําหรับพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธเจ้าผ่านการศึกษามาแล้วปฏิบัติมาแล้วสัมผัสผลมาแล้วธรรมะที่ทรงเปล่งออกจากพระโอษนั้นมีฐานะเป็นปฏิเวทโดยสถานะเลยทีนี้เมื่อคนศึกษาก็จะเข้าใจตรงกับปฏิเวทพอปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่เกิดกับคนอื่น พอสัมผัสผลสมบูรณ์ก็เป็นพระหันด้วยกันเป็นพระสักนาคามีด้วยกันเป็นประส ก, การทาคามีด้วยกันเป็นพระสุดาบันด้วยกันเวลาเนี้ยเราตีความอย่างนั้นมากไปหน่อยแล้วก็เกิดดูมินพระคำพีตรบิดุนะฮะอย่างพวกกรรมฐานี่นชอบพูดบ่อยเนี่ยเฮ้ยอไปเรื่องหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเฉยๆนะฮะ เป็นหนังสือที่แสดงออกมาจากโอทของพระพุทธเจ้าแล้วก็จําทรงไว้ด้วยพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่จัด ก, การทําสังกยาสีห้าครั้งเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์ล้วนๆแล้วก็ท่านเองก็ศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วตั้ง ผ, ผลแล้วคือเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วแต่ว่าตอนท่านฟังจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ คำสอนทุกคำเนี่ยมีฐานะเป็นปริยัติคือการศึกษาของท่านเวลาท่านทํามานํามาประบัติปฏิบตัติก็เป็นปฏิบัติส่วนของท่านทีนี้เมื่อสัมผัสผลบรรลุผ ล, ผลตามที่ต้องการก็เป็นปฏิเวสสมรัตท่านก็ทยอยส่งกันมาอย่างเนี้ทีนี้ถ้าเราขาดความเคารพในพระสัทธรรม จากที่ท้าธร ม, มดีพรมได้กล่า ว, ว่าสัทธัมโมคาุกาตะโบสรังบุธานศาสนาบุคคลเมื่อรำลึกถึงพระพุทธศาสนาพึงเคารพต่อพระสัทธรรมมันไม่ใช่ตัวอักษรธรรมดานะฮะแต่เป็นตัวอักษรที่บ่งชี้สภาวธรรมที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นทุกข์ก็ทุกข์จริงสมุทัยก็สมุทัยจริงนิโรธก็นิโรธจริงมรรคก็มรรคจริง อไม่เป็นอย่างอื่นเลยแม้แต่ธรรมะง่ายๆเนี่ยธรรมะพื้นๆทั่วไปที่ว่าคนไทยยังประทับกันไม่ได้เป็นนั้นมากเช่นอบายามุกตรงเนี้ยอบายามุกมันจะกี่ข้อก็าตามก็คืออบายามุกก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกมันก็เป็นอบบายามุก ในยุคพุธกาลก็เป็นอบายมุกหลังจากพระพุทธ า, านิพนธ์แล้วก็ยังเป็นอบายมุกเดียวนี้ก็ยังเป็นอบายมุกต่อไปอีกเท่าไหร่ปีมันก็เป็นอบายมุกขึ้่นั่นแหละนี่คือเป็นความจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าหากว่ามันมันมันพิสูจกันไปกันมาได้ด้วยก็เลยคือถ้าเวลาปฏิบัติเนี่ย ผลมันไม่ได้เกิดตามที่ส่งแสดงเอาไว้แสดงวเราเรียนไม่ผิดพอปฏิบัติก็ผิดปฏิเวทที่ต้องการก็เกิดขึ้นไม่ได้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งนี่ท่านเรียกว่าสติเพระอัฏฐว่าระลึกชื่อว่าปัจฐานเพระอัฏฐว่าข้าไปตั้งไว้สตินั้นด้วยการตั้งไว้ด้วยฉะนั้นจึงชื่อว่าสติปัจฐานด้วยประการ ดังนี้บ้างในสติปัฏฐานสูตรท่านประสงค์สติปัฏฐานข้อนี้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเหตุชไหนคําว่าสติปัฏฐานจึงเป็นผูพจน์เพราะสติมันมากอ่ะคือสติเนี่ยมันมันมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะต่อกันไปเรื่อยๆเป็นกระบวนการเลยความจริงว่าโดยประเภทแดงอารมณ์สตินั้นมีมาก เมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุใดจำคาบามักจึงซึ่งมีมากเหมือนกันเนี่ยจึงเป็นยกเป็นเอกพจน์เพราะมีอย่างเดียวโดยอาจว่าจะต้องดําเนินไปอริยมตรตที่มีอยู่แปดแปดองค์นะครับไม่ไม่ใช่แปดข้อแต่จริงก็แปดองค์ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องดําเนินไปปฏิบัติไปอย่างเดียว ส่วนจะได้มรู้ผลตรงไหนก็อีกเรื่องหนึ่งสติปัฏฐานนั้นแม่จะมีสี่แต่ก็ถึงความเป็นเดียวกันด้วยอัถว่าต้องดำเนินไปสมจริงดังคาที่กล่าวไว้ว่าทางชื่อวามดเพราะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นเครื่องไปสู่นิพพานและเพราะหมายความว่าผู้มีความต้องการนิพพานจะต้องดำเนินไปกสติแม่ทั้งสอย่างเหล่านั้น เมื่อยังกีดให้สำเร็จในอารมณ์ทั้งหลายมีกลายเป็นต้นจนถึงนิพพานในภายหลังและผู้มุ่งนิพพานก็ดาเนินไปตั้งแต่ต้นเพราะเหตุดังกล่าวมาแล้วนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติแม้ทั้งสอย่างเป็นทางสายเดียวเป็นเอกายนามรัคษ์อย่างที่ว่ามาแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีเทศนาที่มีการสืบต่อกันมาตามลําดับทีเดียว ด้วยการสืบต่อถ้อยคํากันมาเหมือนในญยะที่ผู้เจ้าทั้งหลายมีอาทิว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจะแสดงสำหรับยํำยีมานและเสนา ม, มารเธอทั้งหลายจงฟังภิกษุทั้งหลายก็ทางสำหรับยํำยีมานและเสนา ม, มานคืออะไรคือพระชงเจ็ดองค์องค์แห่งธรรมเป็นเครื่องศัตรูทั้งเจประการจงฟังทั้งหลาย